เป็นคนกลัวเข็มฉิดยามากๆจะแก้กความกลัวได้อย่างไรบทความโดยดังตรินจัดทำโดยสิริพรวงทางประเสริฐความกลัวประเภทนี้เหล่านักปฏิบัติธรรมเขาใช้เป็นเครื่องเล่นซ้อมฝึกสติกันครับจากหลักความจริงง่ายๆคือเมื่อใดสติสัมปชัญญะมีกำลังเหนือความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจจะไม่เกิด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 เพราะโดนเข็มแทงเฉพาะที่เทาว่าความเจ็บเฉพาะที่นั้นก็อาจส่งต่อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แล่นทั่วไปทั้งร่างโดยเฉพาะถ้าใจเราช่วยขยายผลคือคิดว่าเจ็บมากเจ็บเลอะเกินกำลังจะแย่แล้วทั้งกายก็แทบจะระเบิดเป็นเสียงๆทีเดียวอาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงในความเจ็บปวดณจุดเล็กๆนั้น